โมคะลานะปริพาชกได้ทำจากสุเพราะได้ฟังธรรมปริยายนี้ทำจากสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่พระโมคคลานะปริพาชกได้เกิดขึ้นแก่โมกะลานะปริพาชกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาโมฆะลานะปริพาชกกล่าวว่าถ้าธรรมนี้มีเพียงเท่านี้ ท่านก็ได้รู้แจ้งแทงตลอดทางอันหาความโศกไม่ได้แล้วอันเป็นทางที่พวกเรายังไม่ได้เห็นล่วงเลยมาแล้วหลายหมื่นกับ